แนะนำบทอัลมุสสลัดบทอัลมุสสลัดเป็นบทมัคคียะมีห้าสิบองค์การบทนี้ได้เริ่มต้นด้วยการสาบานต่อบรรดามาลัยกาที่มีหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้จัด ก, การเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของจักรวรรโดยยืนยันว่าวันกิ亚马นั้นเป็นเรื่องจริงและ ว, ว่าการลงโทษและความพินาศนั้นจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแน่นอน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 บท น, นี้ได้กล่าวถึงบรรดามุหมินผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงและกล่าวถึงสิ่งที่อลัลลอ์ทรงจัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งคุณงามความดีและเกียรติยศอย่างมากมายบท น, นี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมเคารพภักดีต่ออลัลลอ์ผู้ทรงเอกรผู้ทรงพิชิตคือการฝา่าฝืนละเมิดและการกระทาความชั่ว โดยพระนามของ Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานต่อลมที่พัดต่อเนื่องกันขอสาบานต่อลมพายุที่พัด ก, กระหน่ำอย่างแารงขอสาบานต่อมาเลากาที่อุ้มเมฆฝน ขอสาบานต่อมาเลากาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จขอสาบานต่อมาเลากาที่นำมามอบแก่บรรด า, อ, าอับดีอวดด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสัมคับแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน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 สำหรับวันแห่งการตัดสิน ا أ และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร ความหายนณะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่ น, ค น, คนก่อนๆดอกหรือหลังจากนั้นเราได้ทำให้ชนชาติรุ่นหลังๆปฏิบัติตามพวกเขา แค่นั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาจายากรความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ เราไม่ได้สร้างเจ้าจากน้ําที่ต่ําต้อยอสุจิดอกเหรือแล้วเราได้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงงดลูกจนถึงกําหนดอันแน่นอนดังนั้นเราได้กําหนดไว้แล้วเราจึงเป็นผู้กําหนดที่ดีจริงจริน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นถุดรวมดอกหรือทั้งคนเป็นและคนตาย และในแผ่นดินเราได้ทำให้ภูเขาสูงตระห ง, ง่านและเราได้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิทลลความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ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 แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่าป้อมประกาศประหนึ่งประกายนั้นมันเป็นอู่สีเหลืองเข้ ม, วลลมความหายนะในวันนั้นจงประสบแบ ด, ด่บรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือวันที่พวกเขา จะไม่สามารถพูดออกมาได้และจะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเพื่อแก้ตัวและความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธวในวันนั้นจงประสบแดบรรดาผู้ปฏิเนี่คือวันแห่งการตัดสิน เราได้รววมพวกเจ้าไว้กับประชาชาิอุคนคนน่นก่อนคดานั้นพวกเจ้ามีอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าเถิดลลความหายนะในวันนั้นจงประสบแบบบรรดาผู้ปฏิเสธู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 เราจะตอบแท น, นผู้กระทำความดีทั้งหลายความหายนาในวันนั้นจงประสบแดบบรรดาผู้ปฏิเสธพวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นพวกอายากนวความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงรู้กัวพวกเขาก็จะไม่รูก้กลัว